ขึ้นอภิธรรมมัทสังฆะปริเฉดที่1ต่อเลยนะครั้งที่แล้วได้ถึงได้กล่าวถึงมหาวิบากเนี่ยนะมหาวิบากซึ่งเป็นผลของมหากุศลมหาวิบากทั้งหมดมีมีแนะมี8ก็แสดงแนวเดียวกันกับมหากุศลมหากุศล8ชั้นใดมหาวิบากก็ชั้นนั้นคือมหาวิบาก ก็แบ่งเป็นยาณสัมปยุตเนี่ยนะสี่ดวงเป็นยาณวิปยุตสี่ดวงแล้วที่แบ่งเป็นโสมนัสก็สี่ดวงเป็นอุเบกขาก็สี่ดวงที่เป็นโสมนัสก็แบ่งเป็นญาณสัมปยุตกี่ดวงโสมนัสยาณสัมปยุตเนี่ยสองดวงคืออสังขาริกกับสังขาริกญาณวิปยุตเนี่ยนะก็อย่างละ 2ดวงเนี่ยเน่ยยาณวิปปยุทธ์คืออาสังคาริกกับ ส, สังคาริกส่วนอุเบคาที่เป็นยาณสัมปยุทธ์ก็2ดวงคืออาสังคาริกกับสังคาริกยาณวิปปยุทธ์ก็2ดวงคืออาสังคาริกกับสังคาริกเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยเวทนามหาวิบากก็มีสองท่ากล่าวโดยยานวิปปยุทธ์สัมปยุทธ์มหาวิบากก็มี4ถ้ากล่าวโดยสังขารก็มี มี8เนี่ยนะก็ 1, 2, 3, 4เป็นต้นเลยนะก็จะเป็น8แต่ถ้ากล่าวจริงๆก็นับ1ใช่คือวิบากมี1ในความเป็นจิตนะนในความเป็นจิตสองแบ่งไปตามเวทนาแบ่งเป็น4ตามยานแบ่งเป็น8ตามอาสังขานกับสัสังขาร ทีนี้จิตเหล่านี้นี่นะถามว่ามีความสำคัญสูงไหมสูงมากโดยเฉพาะยาณสัมปยุตสีดวงนี่นะสำคัญยังไงสำคัญเพราะว่าถ้าไม่ปฏิสนธิด้วยจิตสีดวงนี้ไม่มีสิทธิ์บรรลุมรรคผลอนฌานวิปัสสนามรรคผลเนี่ยโอกาสน้อยตไม่มีโอกาส วิปัสนาเนี่ยนะชั้นล่างๆอาจจะได้แต่ชั้นสูงเนี่ยยากติเหตุกปะปฏิสนธินะเพราะจิตสดวงนี้มีเหตุประกอบสมเลยคืออโลภาอโทสะและอโมหะเหตุเห็นไหมอโลพาอโทสะอโมหอโลพาอโทสะอโมหะเหตุเหล่านี้เป็นอุปนิสัยคือ ตัวนี้ถ้าแรกเกิดเาเรียกว่าปฏิสนธิใช่ไหมหลังจากปฏิสนธิเรียกว่าภวังในภวังขจิตเหล่านี้เนี่ยนะก็มีชื่อว่าภวังไงมันจะต่อด้วยปัญจทวาราวัชนะก็ได้ต่อด้วยมโนทวาราวัชนะก็ได้ก็คือภวังอันเดียวกันนั่นแหละถ้าต่อด้วยปัญจทวาราวัชนะก็ติดตามด้วยทวิปัญจใช่ สัมปติชนะสันตีรณะโวทพชนะชาวนะอีกเจ็ดแล้วก็ต่อด้วยอะไรตทารมณนะหรือพวังหรือบางทีชาวนะดวงที่เจ็ดต่อด้วยผวังเลยก็มีส่วนในมโนทวาราวัชนะก็จะต่อด้วยชาวนะเจ็ดดวง ต่อด้วยตาารมณะอีกสองดวงหรือจะต่อที่ภวังเลยก็ได้อันนี้เรียกว่าชาวนาในาปัญจะอันนี้เป็นชาวนาในามโนทวารวิถี ชาวนาในมโนทวารวิถีนี่แหละที่จะเป็นเอาว่ารวมๆเลยนะที่จะเป็นศีลแล้วขอไปชวน่ในมโนทวารวิถีว่าให้รวมๆเลยนะเป็นศีลเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาเพรา ะ, ะกายกายกรรมวิกรรมอาชีพนี้ต้องเป็นมโนทวารอย่างเดียวชวน่ในมโนทวารอย่างเดียว ส่วนชาวนะในปัญจทวาร น, นี้ยกให้อินทรีย์สังบอนแต่ว่าชาวนาะสองประการนี่นทั้งปัญจทวารกับมโนทวานเนี่ยตัวที่สําคัญมากคือเทหูที่เป็นโสตะวินถ้าสมัยใหม่ก็เพิ่มตาด้วยใช่ไหมต้องอ่านจากขู่ก็สองเลยนะจากขู่กับโสตะสาคัญมากในทวาร ในปัญจทวารเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเลยถ้าบอกว่าจงฟังจงฟังนี่แปลว่าให้ตั้งปัญจทาาวารวิถีเอาไว้ให้ดีเพื่อที่จะรับรับเสียงคําสอนแล้วก็ตั้งโยนิโมสมนัิการเอาไว้ในมโนทวารในปัญจทวารเหล่านี้เนี่ยถ้าพื้นฐานภวังที่เป็นอโลพะอะโทสะโมหะดียนนะสติอันนี้จะดีด้วย ตัวชาวนะนี้ก็จะดีแต่สําคัญตัวหนึ่งก็คือตัวหูด้วยนะตัวโสตะกับตัวจักขูถ้าอ่านพระไตรปิฎกนะถ้าอินทรีย์2ตัวนี้อ่อนก็ทวิปัญจา ก, ก็แย่เหมือนกันนะหูไม่ดีชาวนะก็ไม่ได้เรื่องเองเหมือนกันตามไม่ดีสานวนว่าเห็นก็ไม่ค่อยชัดแล้นะอ่านก็ไม่ค่อยจะชัดเหมือนกันนะตามแต่การเห็นเพราะฉะนั้นจักขู่กับโสตะนี้ถือว่าเป็น อินทรีย์ที่ใหญ่มากต่อชาวนะในปัญจทวารวิถีทีนี้ชาวนะในปัญจทวารวิถีทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปนิสัยที่สาคัญต่อชาวนะในมโนทวารวิถีแต่ทีนี้จากปัญจทวารวิถีมหามโนทวารวิถีนี่จะต้องสลับด้วยภวังทีนี้ถ้าคุณภาพของภวังไม่ได้ติเหตุกะปฏิสนธิยังไงก็ไม่ได้บรรลุมรรคผล หมายถึงว่าขีดความสามารถมันต่ำเกินไปที่จะมาอบรมเพื่อจะบรรลุมรรคผลได้เนี่ยนะมันเวลาเจริญกุศลเขาจึงให้เน้นมหากุศลยาณสัมปยุทธเข้าไว้เนี่ยนะอย่างน้อยก็ปรารบกรรมมัสกตาก็ยังดีนะปรารบกรรมมัสกตาเป็นเป็นเบื้องหน้านะรู้วิบากแห่งกรรมรู้ก็รู้ด้วยศรัทธาใช่ไหมตามคำสอนนั่นแหละก็มีศรัทธานาหน้าปัญญาตามก็ อ บ, บรมกุศลให้ให้เป็นตรายศิขาแล้วสมถะศีล ส, สมถะวิปัสสนาเนี่ยนะสามประการเนี่ยอ บ, บรมให้เป็นอะไรอริยมรรคยันนะมันตัวศีลสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะสรุปว่าให้ชวนะในปัญจทวารวิถีและ มนโนทวารวิถีเนี่ยเป็นไปกับไตรสิกขาเท่าที่จะทำได้อ่นนะถามว่าแค่ไหนก็บอกให้มันสมควรแก่อริยมรรนัก น, นะทีนี้ในวิราาคาถาคือคือเรื่องอพรหมจารย์หรือเรื่องอริยมรรตเนี่ยนะมีชื่อว่าอีกชื่อนึ่งก็วิราคะก็ได้หรือเรียกว่าอริยมรรกอย่างที่กล่าวไปก็ได้ ซึ่งอริยมรรคเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยสมถะและวิปัสสนาที่ควบคู่กันไปศีล น, นะสงเคราะห์เป็นสมถะนะศีลเนี่ยสงเคเป็นสมถะให้ควบคู่กันไปทีนี้ควบคู่กันไปก็อยู่ที่เนี่ยมันจทวารวิถีที่รับฟังรับรู้เนี่ยนะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอุปนิสัยที่สําคัญนะการเห็นการได้ยินเนี่ยปัจจัยที่สําคัญต่อกุศลมาก เสร็จ แ, แล้วก็มาจากภวังภวังก็มาจากไหนมาจากกรรมที่นำเกิดน่นะถ้าย้อนตัวนี้มาหาเป็นกุศลก็ได้แล้นใครที่บอกว่าโหตั้งความปรารถนาชาติหน้าขอบรรลุมรรคผลเป็นต้นยังไงก็ขออันนี้ด้วยนะขอให้ได้ปฏิสนธิเป็น ติเหตุกะสมมติว่าไปเกิดทันพระศีอาร์นใไหมแต่เกิดด้วยอเหตตกะปฏิสนธิก็ไม่ได้อะไรนะเหมือนกับช้างปาลิลายกะที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าช้างปาลีลายกะก็หวังว่าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าเนี้ยตลอดไปก็จะดูแลพระพุทธเจ้าจนกว่าจะตัวจะตายเนี่ยนะแต่ทีนี้ตอนหลังพระ อ, องค์ก็เสด็จจากไปเนี่ยนะ พองก็บอกว่าเธอจงกลับเถิดฌ า, านวิปัสสนามักผลไม่ได้เกิดแก่เจ้าในอัตภาพนี้หรอกนั่นนะมันก็เดรชาเนี่ถือว่าตรงๆก็เจริญวิปัสสนาไม่ได้คือทําตีรณะปริญญาไม่ได้นะคร่ครวญ้วยความเป็นของไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่วิสัยของเดรชามันปฏิสนธิเนี่ยสาคัญมากเป็นเบื้องแรกทีนี้พอปฏิสนธิได้อย่างนี้แล้วก็อาศัยปัจจัยที่สําคัญต่อมาก็คือ ทวารตากับทวารหูก็สำคัญพอได้ทวารตาทวารหูทวารตาคืออ่านทวารหูคือฟังจนคู่ควรก็มาอบรมนี่จึงเป็นเหตุให้อริยมรรคเกิดได้เพราะในแง่ของผวังนี้สำคัญมากทีนี้ถ้าพวังทั่วทั่วไปถ้าเป็นภวังของพระพุทธเจ้าจะเป็นดวงที่เท่าไหร่อ่า น, นะพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าจะเป็นภวังดวงนี้ ด ว, นะดวงที่หนึ่งยานสัมปยุมศมณัตมีเมตตาเป็นอุปนิสัยด้วยนะมีเงื่อนไขว่าเมตตาเป็นปุเรกเรียกว่าตั้งไว้เลยว่าตัวนี้เกิดเพื่อจะช่วยให้สรัรพพสัตได้รับประโยชน์และความสุขเนี่ยนะคิดนําหน้าเลยนะตั้งว่าจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่แก่สรัรพพสัตเขาเรียกว่ามีเมตตาเป็นเบื้องหน้า อันถ้าใครฝึกเจริญเมตตาเนี่ยเออเจริญพุทธคุณเนี่ยก็มองปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์ว่าท่านมีเมตตาเป็นเบื้องหน้าปรารภว่าจะช่วยสัตว์ให้ให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะนี่ในขณะปฏิสนธิของพระองค์นี่เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างคุณบรรจุแผ่นดินไหวเลยใช่ไหมแผ่นดินไหวสิบสองครั้งเลยน ะ, ะนนยนะแสงสว่างหมืน่นแสงสว่างหมื่นจั ก, กรวาลสว่างไปจะทั้งแม้กระทั่งถึงโลกันดานรกเนี่ยนะสว่างหมดอย่างเงี้ยนะ แล้วปฏิสนธิด้วยเนี่ยนะเอะเอตอนนี้ปฏิสนธิใช่ไหมตอนคลอดก็ก็เหตุการณ์คล้ายๆกันอีกเนี่ยนะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นคู่กับปฏิสนธิกรรมมชรูปผู้ที่ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งเนี่ยนะมีกล่าวว่าถือว่าเกิดด้วยเหตุแปดประการนเนะ เหตุแประการมีอะไรบ้างเหตุ8ประการคือกุศลเหตุ3ตอนตอนทํากรรมนี่ต้องทําด้วยกุศลเหตุใช่ไหมอันนี้ก่อนกุศลเหตุ3ตอนทําบุญนะทีนี้กุอกุศลเหตุสองกุศลเหตุสองคือโลภะเหตุกับ โมหะเหตุเกิดก่อนใกล้จะตายผู้ที่ปฏิสนธินะถ้าไม่มีฉันทราคะในตอนตายเนี่ยมันเกิดไม่ได้แต่เนื่องจากปฏิสนธิที่มีเอ่อขออภยัยแต่เนื่องจากมีฉันทราคะในก่อนตายเนี่ยตัวนี้ส า, าษาธรรมะเรียกว่นนิกันติอ่านิกันติเ น, น, ตนี่ยนะคือความชอบใจนะไอโลพาอันนี้มันชอบใจโดยที่สุดแม้แต่ภาพของนรก สมมุติถ้าใครปฏิจจปฏิสนที่ในนรกนะอ่าถ้าถ้าย้อนไปหาผู้อกุศลเนี่ยนะจะเห็นแสงไฟในนรกมันยังนึกชอบเป็นบางวิถีอ่ะนะยังมีความคิดนึกชอบเครียกว่าด้วยอำนาจของวิปลาดอะ่ะคำว่านิการตีนี้เป็นฉั้นธละคะในขณะที่จะจุ ด, ดิจุดเออไม่ไม่ใช่ขณะจุดคือก่อนหน้านั้นอาจจะก่อนหน้านั้นหลายสิวิถีหรือหลายล้านวิถีก็ได้แต่แต่ว่านิการตีนี้จะมีโอกาส เรียกว่านิการติอยู่ในขณะนี้เท่านั้นใช่ไหมหรือว่าความชอบใจสัน德拉คะอย่างอื่นก็ใช้นิการติเหมือนกันก็ถ้าถ้าตรงนี้ตามปฏิสัมพิทาก็เน้นให้โลภะก่อนตายเห็นไหมตามกรรมมรรคฐานนะใช่ฮโลภะก่อนตายเนี่ยใช้ใช้ใชเรียกว่านิกันติเจริญพัน เพราะฉะนั้นครับว่านิการตินิช้อยู่ในที่เดียวนี้หรือว่าใช่ในที่อื่นๆได้ด้วยที่อื่นๆก็ได้เช่นในวิปัสสนูปกิเลสิบใช่ไหมชอบวิปัสสนาเนี่ยนะหรือโลภะภวะนิการติหลังจากปฏิสนธิแล้วก็ชอบอีก ก, ก, ก็เรียกนิการติเพราะนีก้การตีแปล ว, ว่าชอบใจเพรผลเหตุสองชอบใจนะชอบใจที่จะได้เกิดถ้าเทวดาอาจจะชัดนะว่าขณะที่ไปเที่ยวสวนรื่นรมรู้อยากจะไปเกิดที่ไหนก็พอใจนะ แต่เขาถามว่าอา้าวแล้วถ้าจะไปเกิดในนรกยังพอใจอยู่หรือก็บอกว่าด้วยอานาจวิปลาสทาให้พอใจอยู่มั้งคืนนึกพอใจอยู่แวบหนึ่งอะนะก็ก็นึกพอใจอยู่สักนิดหนึ่งก็ถือว่าเหตุสองละแต่นี้เราพูดถึงผู้ที่จะปฏิสนธิในสุคติเนี่ยนะก็อันนี้เหตุในอดีตนะคือกุศลเหตุสแล้วก็อกุศลเหตุสองและขณะปฏิสนธิอีก สามานดยฉะนั้นก็เขาบอกว่าเหตุปัจจัย8ประการทำให้ปฏิสนธิในสุขติเ น, นที่ที่เป็นพวกติเหตุตุกะนะพวกที่มีบุญทั้งหลายเนี่ยมีเหตุนำเกิด8อย่างแต่ว่าขณะขณะที่เกิดจริงๆก็มีเหตุ3ตอนทำกรรมอีกเหตุตอนทำบุญไว้ก่อนนะก็เหตุ3ตอนที่ ก่อนจะตายก็เหตุอีกสองก็เรียกว่าเหตุ8ประการเอ่อไม่ใช่คือกุศลละเหตุสามเนี่ยนะในมหากุศลดวงที่หนึ่งเนี่ยนะเวลาเกิดขึ้นต้องมีอะโลพาอาโทสะอโมหะเกิดพร้อมกันเลยเรียกว่ากุศละเหตุสามเกิดด้วยกันนั่นเองน คือผลของมหากุุลนี่ก็ให้เป็นมหาวิบากเป็นหแล้วก่อนจะตายอ่ะชอบคือชอบในคติชอบอัไที่ที่ก่อนจะตายเนี่ยนะนั้นถือว่าผู้ที่ปฏิสนธิในสุขคติเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้มีบุญทั้งหลายมีเหตุปัจจัย8ปประการคือตรงนี้จะพยายามเน้นให้เห็นว่า ความสำคัญของผู้ที่ปฏิสนธิด้วยติเหตุกะถ้าไม่ปฏิสนธิด้วยติเหตุกะนั้นไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้นะหรือผู้ที่เจริญพุทธคุณก็จะเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้าปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งเนี่ยนะตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นะแล้วก็เป็นปัจจัยให้พระองค์นี้มาอ บ, บรมไตรสิกขาเนี่ยนะเมื่อพระองค์อ บ, บรมไตรสิกขาเป็นปัจจัยแห่ง อริยมรรคทีนี้อริยมรรคของพระองค์นี้มีสี่มรรคตัวมรรคที่สำคัญที่สุดคืออรหัตมรรคอรหัตมรรคเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อะไรที่จะกล่าวต่อไปแล้วนะคือสัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานเนี่ยคือจิตดวงไหนะนะสัพพัญยุตยานคือจิตดวงไหนแดวงรืใช่สัพพัญยุตยานคือมหากิริยานสะสัมปยุต อรหัตมรรนะ่ะเป็นปัจจัยให้เนี่ยนะสพันยุตยานเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นยานที่ไม่มีอะไรกางกั้นในการสามเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะคำหนึ่งรู้เลยเนี่ยนะ แท้ว่าน้อมไปเพื่อจะรู้่รู้เลยโดยที่ไม่มีอย่างอื่นมาขัดขวางเขาเรียกว่าอนนาวรณญาณเ น, นี่ยนะก็สัพพัญยุตยา น, นั่นแหละแต่ว่าสัพพัญยุตยานที่ไม่มีอะไรขัดขวางเลยเรียกว่าอนนาวรณญาญญาณเดียวนั่นแหละได้สองชื่อเนี่ยน ะ, อ, ะอย่างพระพุทธเจ้านะความที่พระองค์มีอนนาวรณญาณกับสัพพัญยุตยานนะพระองค์มนัติการสมมติว่าพระองค์เทศมหาประธานสูตรนะ องบอกได้เลยว่าสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีชื่ออะไรสิกขีชื่ออะไรวิเวสภูคืออะไรทั้งๆ ท, ที่ห่างกันมากนะบอกเฉพาะแต่ชื่อสาวกเนี่ยเรียกว่าเหมือนกันนั่งดูแล้วสลับได้ช่องได้เร็วถ้าเป็นทีวีอะไรนะสลับช่องเร็วมากนะปั๊ปับป๊บปับปบ๊แล้วเอามาพูดเฉพาะในส่วนนั้นจะเล่าถึงเหตุการณ์นั้นอย่างละเอียดก็ได้จะเอาเฉพาะเป็นส่วนส่วนส่วนมาก็ได้นะเพราะสับไปสับมาก็ไม่งงเหมือนกันเถอะความสามารถสูงขนาดนั้นอายุเท่าไหร่ ตารบเฉพาะพ่อแม่ของพระพุทธเจ้าก็ได้ปารบสิ้นเชิงเลยก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยนะทำได้หมดเลยจะเล่าเรื่องเดียวในพระพุทธเจ้าองค์เดียวอย่างสิ้นเชิงก็ได้จะหยิบเอามาตอนใดตอนหนึ่งก็ได้แล้วมาสับกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆอย่างเงี้ยทำได้หมดเล ย, ยนี่ยนนี่คือความสามารถของสัพพัญยุตยานกับอนนาวรณยานอันสัพพัญยุตยานเนี่ยจะเป็นเป็นธรรมะที่ทําให้ตรวจสอบทําให้รู้อย่างอื่นอีกมากเนี่ยนะแล้วก็สัพพัญยุตยาน แล้วก็เป็นปัจจัยแก่อาสาธารณญาณอื่นๆอีกเช่นอาสยานุสญยาณอินทริญาโปรปริยตญาณเนี่ยนะแล้วก็อาศัยมหากรุณาสมาบัติญาณถ้ามหากรุณาสมาบัติญาณ น, นี้เป็นฌานเป็นฌานจิตส่วนอาสวัคยญาณยาก็เป็นโลกุตรจิตแต่ว่าตัวที่สําคัญที่จะกล่าวคืออรหัตธรรมขยานนั้นอนะ่ะเป็นปัจจัยที่สําคัญแก่สัพพันญุความเป็นสัพพันยุของ ครับพุทธเจ้างั้นความเป็นสัพพัญยูจริงๆก็คือมหากิริยาญาณสัมปยุต